أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به ن س ت ع ي ن ولا أدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد ا ل رضا وأ وأشهد أن لا إله إلا ال الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقد أدى الأمان ونسع الأمه وشاد في لحقته فتزا ه الله أنى وعُمتي خرمت زاه نبيا أنمتي أماب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرأ الله تعالى في كتاب الكريم لقد جسد القرآن للذك فهل م ت م ر ك ا ب ي ا ن تيركين كاب في سورة الفتح. ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรายัางพูดคุยกันในส่วนอายะี่ว่า อ, อ, อลัมเร์เคย์ฟะฟะลับรับุบิ عاد อรมาดาติลอิมาดอัลละตีลามยุคลับมิสลุฮาฟิลบิลาดเราพูดถึงกลุ่มชนของอาดของนบีฮูดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่พวกลอสุบฮานหวัวตลาลนั้นให้พวกเขามีความโดดเด่นให้เขามีความสามารถให้เขามีพลังอานาจที่ว่าเหนือกลุ่มชนใดๆก็ตามที่เคยมีมาในอดีต จนถึงอนาคตแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับไม่มีกลุ่มชนใดหรือไม่มีใครที่มีความหยิ่งยโสนอกจากผู้ล้อนั้นจะทําให้พวกเขาต้องพบกับความต่ําต้อยเช่นเดียวกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลอมลวะอัยลัยฮุสแลมได้พูดไว้ครับว่าตวาด้าอุตรอฟะอูฮาพวกท่านนั้นทําตัวให้ตามผู้ล้อจะยกท่านให้สูงเช่นเดียวกันใครก็ตามที่พยายามยกตัวเองให้สูงผู้ล้อก็จะทําให้เขานั้นต่ําต้อย เมื่อเราคุยถึงกลุ่มชนชาวอารที่พวกลอสุปหาหนุวตาได้กล่าวไว้ครับว่าเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าพวกละหรือนายของเจ้านั้นได้ทำอะไรไปบ้างแล้วกับกลุ่มชนชาวอารเมืองอิรัมที่มีเสาที่ซึ่งไม่เคยถูกสร้างเช่นนี้มาก่อนในเมืองใดก็ตามเราคุยกันอธิบายกุรานด้ยวยกับอัลกุรานโดยที่ยกในส่วนของสุลต์อารอมาพูด บทสนทนาของกลุ่มชนเชาวอาร์ที่พูดกับนบีของเขาคือนบีฮุดเมื่อตอนที่ท่านนบีฮูดได้ทำการเชิญชวนพยายามการเรียกร้องพยายามบอกกล่าวต่างๆนานากลุ่มชนอาร์ก็ได้ดื้อดึงก็ได้ปฏิเสธก็ได้ด่าว่าก็ได้ใส่ร้ายก็ได้เสียด ส, สีเสียดแทงท่านนบีฮุดทุกวิถีทางเท่าที่พวกเขาจะทําได้ท้ายที่สุดพวกเขาบอกว่าไงนะครับก็รู้อัชีริยะลีนบับุลลอฮะวาฮดะฮูวานาซารมาคานียับลูอาบะอุน ข้ออ้างที่เขาแล้วก็กลุ่มชนก่อนหน้าเขาแล้วก็กลุ่มชนหลังจากเขามักใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธศัจรธรรมคือการอ้างถึงแบบอย่างที่บรมพารุษรมพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่ใช้แค่ไม่กี่กลุ่มนะครับแต่เป็นข้ออ้างคลาสสิก ซึ่งแม้แต่กลุ่มชนมุสลิมเองบางกลุ่มก็ใช้ข้ออ้างนี้เวลาที่มีศัตธรรมมีตัวบทที่ชัดเจนมาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่รับเขาก็บอกไม่เราพอเพียงแล้วในสิ่งที่บรรุรุษของเราทำนี่คือเหตุผลที่ทำให้กลุ่มชนก่อนหน้าเราตกต่ำมามากต่อมากแล้วแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มชนของเราถูกโพกลสุบาโนตาลงโทษมามากต่อมาแล้วเพราะนั้นก็เตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับ รักบำพบรุตเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องรักคุณพ่อรักคุณแม่รักปู่รักปู่นี่เป็นสิ่งดีงามที่ซามส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักนั้นทําให้ปฏิเสธสัจธรรมนั่นถือว่าเป็นความรักต้องห้ามหรือเป็นรักที่อันตรายหลังจากที่กลุ่มชนครับกลุ่มชนอาร์ตได้บอกกันนบีว่าหม่อะ่ะทําไมเราจะต้องเชื่อคําพูดเจ้าแล้วทิ้งสิ่งที่พ่อแม่เราทําเขาได้พูดประโยคที่ไม่ควรที่จะมีใครพูด ประโยคที่อันตรายที่สุดที่ไม่ควรจะมีใครพูดเขาบอกว่าไงครับฟะตีนาบีมาจายดูนาอินกุนตอมินาเซเดกีนเอาสิถ้าที่เจ้าพูดมันจริงก็ให้พวกเราถูกของโทษให้เห็นสิลองพูดมาเลยสิถ้าที่เจ้าพูดจริงนี่ถือว่าเป็นขั้นสุดของความยะโสคือมั่นใจว่าล้านเปอร์เซชันไม่มีทางผิดคนอื่นต้องผิดเท่านั้น ถ้าฉันผิดเนี่ยให้ฉันโดนลงโทษให้ฉันตายให้ฉันอะไรนี่เป็นคําพูดที่โง่เขาครับผมแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์รับไม่เคยทําเป็นแบบอย่างเลยไม่เคยมีนบีท่านใดทาเป็นแบบอย่างไม่ทําเพราะอะไรครับไม่มีใครแก้าเสี่ยงกับความโกรธคิ้วของพวกลอสซูบฮาวนวอัลลาล์บรรดา บ, บาัพชเนลีดีนบีบรรดาสัลับเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไงครับหากคุณพูดจริง ก็ขอให้เราได้เข้าใจก็ขอให้เราได้รู้ว่ามันจริงขอให้เราทำมันได้จะมีมีเขาบอกว่าหากคุณพูดจริงเนะี่ยเราขอยอมลงนรกหรือหากคุณพูดจริงเนะี่ยเรายอมโดนลงโทษอันนี้คือเป็นความเชื่อมั่นที่เรียกว่าง่้เขาวความเชื่อมั่นเป็นความงู้เขาก็ขอเตือนพี่น้องที่ผมรักนะครับแล้วก็เตือนตัวผมเองด้วยนะครับผมอย่าเสี่ยงกับความกดดกิ้วของล้อถ้ามีการถกเถียงกัน ถ้าเกิดเรามั่นใจในความถูกต้องของเราไม่ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนก็ตามให้เราบอกว่าวรลหุงอัลลอถ้าสิ่งที่เราเข้าใจผิดขอพวกร้อนําทางเราให้เราเข้าใจถูกนี่คือแนวทางที่มุสลิมควรจะทําไม่ใช่แนวทางที่ว่าไปท้าทายกับอํานาจของพวกร้อนสุบฮานะหุวาตาลาซึ่งพี่น้องดูท้องฟ้าดูเวลาฟ้าผ่าเวลาฟ้าแลบเวลาท้องฟ้ามีความน่าสะพรึงกลัวดูสูนามิดูอะไรก็ตามพี่น้องดูนั่นมันเป็นแค่เศษเซี่ยวทุลีหนึ่ง ของการลงโทษของผู้ลัทธิสุบฮานหัวตายและอย่าได้ยโสในความคิดของตัวเองจนเกินเลยขอบเขตของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยกลุ่มชนอาร์ตบอกว่าไงอาชาเจ้าผู้จริงเนี่ยจะสัญญาบอกว่าจะมีไหชนะเกิดขึ้นใช่ไหมให้มันเกิดขึ้นเลยท่านเจ้าผู้จริงเอามาจัดมาพี่น้องครับพอกลุ่มชนอารได้พูดประโยคที่ไม่ควรพูดประโยคนี้ท่านนาบีฮูดบอกว่าไงครับ ข้าว่านนัดวางเาให้คุณพระบิดุมลิตจซูวังรับตัวนี้ที่คุณที่คุี่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุาที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณทุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่คุณที่ที่คุณที่คุณี่คุณที่คุณที่คุี่คุณที่คุณที่คุณที่ค เกิดกับพวกคุณแล้วนะเอลาล้อขวดพวกคุณแล้วเอาล้อเกียร์พวกคุณแล้วพวกล้อจะทําลายพวกคุณแล้วเพราะอะไรครับโลนหาที่เองเหมือนกับที่พวกล้อสุภานโนตระบอกครับไม่มีหไหยงนใดจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้านอกจากเป็นสิ่งที่พวกเจ้านะ่ะขนขวายด้วยตัวของเจ้าเองอัตเุเจดีดูนนี่น บ, บีฮุษผูดเตือนสติเป็นครั้งสุดท้ายครับนี่คุณมาเถียงกับฉันน่ด้วยกับชื่อที่พวกคุณอุปโลกตั้งมาเองกับบางผู้หุดของคุณอุปโลกมาเลย คุณอุปโลกว่านี่ชื่อแล้อันนี้ชื่ออุจจานี่ชื่อมนาอันนี้ชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ลูกจเบต์นั้นชื่อนี้ลูกจเบต์นี้ชื่อนี้ชื่อพวกนี้คุณตั้งเองไม่ใช่เหรอบางพระหลูกคุณก็ตั้งเองไม่ใช่เหรอพวกเราไม่ได้ให้ความสามารถอะไรกับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหรอเวลาคุณพูดคุยก็ไม่สามารถโต้ตอบอะไรพวกคุณได้เวลาคุณเอาอาหารไปให้ก็ไม่สามารถกินได้เวลาเมีอันตรายจะไปเกิดกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วคุณมาเอาพวกเนี่ ท่านนบีฮูดบอกเลยครับว่าฟันตาซิรูถ้าเป็นเช่นนั้นนะนะถ้าพวกคุณยืนการอย่างนั้นนะนะฟันตาซิรูเนี่ยก็รอไปเลยรอคอยเลยอินนีมะอากูมมนันมุนตะซีรินฉันก็จะอยู่รอคอยด้วยกับพวกคุณหนี่เมื่อดีดานมั้ใช่ไหมเมื่อเรียกร้องหาความกดกิ้วของพวกเราใช่ไหมรอรอดูแลกันรอดู ซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับอย่างที่เราทราบครับในประวัติศาสตร์ครับผมกลุ่มของนบีฮูดเนี่ยกลุ่มชาวอาเนี่ยถูกลงโทษทั้งหมด8วันหรือต้องบอกว่าเป็น8คืน7วัน8คืน7วันหรือว่า8วัน7คืนอันนี้ก็นะักประวัติศาสตร์ก็มีการพูดคุยกันอยู่แต่ประเด็นก็คือครับเขาถูกอะไรละ่ะกลุ่มชนอา ถ, ถูกอะไรกลุ่มชนอาเนี่ยซา อาล้อให้ความสามารถเยอะเขาเยอะยิ่งในความเจ๋งของเขาเขาทารนงในความเจ๋งของเขาแต่พื้นที่ที่เขาอยู่นะพ่วงล้อให้เกิดความแห้งแลง้งเจ๋งแค่ไหนก็จอดพี่นั้นเหมือนกับมนุษย์ยุคปัจจุบันถึงเวลาน้ำท่วมมาโวยวายถึงเวลาพ่วงล้อใ้น้ำแห้งแลง้งทำอะไรไม่ได้ปัญหาเกิดทุ ก, ท ก, กยุ่งเหยือมยากทั้งนั้นไม่มีนัฏ ก, กรรมมีเทคโนโลยีมีอะไรสารพัดเกิดความแห้งแลง้งปุ๊บทำอะไรไม่ได้น้ำท่วมก็ทำอะไรไม่ได้ นี่คือมนุษย์ครับมนุษย์ผู้อ่อนแอเพราะฉะนั้นกลุ่มชนอาร์พวกนีมีความสามารถสูงสุดแล้วในยุคนั้นมีร่างกายที่กำยำ ม, มีเมืองที่ว่างดงามใหญ่โตถึงเวลาพวกนี้เกิดความเล็กแห้กแห้งแล้งจบทําอะไรไม่ได้ทีนี้พี่น้องที่รักยริงครับกลุ่มชนชาวอารเนี่ยจริงอยู่ที่เขาไม่กราบไห ว, พว้พระลอสซุปหานวัวตราไม่ยอมกราบไห ว, พว้พระลอสเพียงองค์เดียวเขากราบไหว้ลิเบเรตของเขาแต่พวกเขาก็มีความเชื่อมั่นว่า ถ้ามีความแห้งแล้งนะต้องไปขอจากผู้ที่ดูแลเขตกาบะเขตฮารอมความเชื่อของพวกเขามีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วคือเขาเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะให้ฝนเนี่ยถ้าอยากได้นะต้องไปที่เขตฮารอมต้องไปที่เขตกาบาแตกไหมครับผลสุดท้ายก็ต้องไปขอพวกลอสซูบานุวัตตาลาอยู่ดีทีนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งกลุ่มอาดเนี่ย ตอนช่วงที่เกิดความแห้งแล้งเนี่ยก่อนที่เกิดความแห้งแล้งมีมีความเห็นต่างกันมีการทะเลาะกันคือทะเลาะในเรื่องดุลยานะครับไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะเรื่องาศาสนาทะเลาะในเรื่องดุลยานี่เราก็เลยมีการแตกกันไอ้กลุ่มที่แตกเนี่ยก็อพยพแยกออกมาอันนี้เรียกเป็นอาร์านีอารกลุ่มที่2ซึ่งก็คือกลุ่มสมุทรนั่นเองซึ่งเดี๋ยวยักษ์ต่อมาพวกล็อกจะพูดถึงกลุ่มนี้อีกทีนึงแต่ที่แ น, น่ๆกลุ่มที่ยังอยู่เนี่ยคือกลุ่มอาร์กลุ่มแรกเ น, ะนี่ยอาร์กลุ่มแรกเนี่ยครับ พอเดือดร้อนแห้งแล้งสุดๆเขาก็ส่งกลุ่มคนที่เขาคิดว่าน่าจะดีที่สุดในกลุ่มเนี่ยไปที่มะกะไปที่เขตฮารอมโดยท่านนาบีฮุดก็ไปด้วยเดินทางไปครับเพื่อที่จะไปขอดูอาจากพวกลอสุบฮานุตาที่พวกเขาปฏิเสธนี่นแหละจะไปขอฝนคือเดือดร้อนแล้วไงเดือดร้อนแบบที่พวกลอสุบฮานุตากล่าวครับ จะเป็นพวกเอทิสจะเป็นคนที่ไม่เชื่อถือพระเจ้าจะกราบไหว้พระเจ้าเลยก็ตามถึงเวลาถ้าเดือดร้อนถ้าเขาขึ้นเรือไปเรือมันจะอับปางคือเข้าช่วงคับขันเนี่ยถึงเวลาคนก็ต้องมองขึ้นฟ้าแล้วก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไม่เชื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนั้นครับกลุ่มชาวอารครับก็ส่งกลุ่มคนไปขอก็พอไปที่เขตฮารอมพวกก็ทําการขอดูอาซึ่งในตอนนั้นแาว่ามีมสัสยิดฮารอมหรือยังว่าเราว่าในตอนนั้นน่าจะยังไม่เกิดขึ้น บนหลออัลัมนักประวัิศาสมีความเห็นต่างว่าตกลงใครเป็นบุคคลแรกที่สร้างกาบะใครเป็นบุคคลแรกที่สร้างมัสสิดทารอมตรงนั้นซึ่งนักประวัตาหลายๆท่านค่อนข้างจะเอ็นไปว่าคนแรกน่จะเป็นอบีอิบราฮิมที่ฟุลล์กล่ า, าวในยักกุลานนั่นแหละน่าจะน่าจะ ท, ทั้งนี้ท่านวล่าบอกว่ า, า, าลมแต่ว่าพื้นที่ฮารอมเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ตอนสร้างโลกแล้วก็คือเป็นเป็นเนินสูงขึ้นมาเป็นเนินสูงขึ้นมาจากที่อื่นท่ามกลางหุบเขา คือเขตแ ก, ก้บ้านเนี่ยมีนานแล้วครับพี่น้องที่ในกลุ่มชนชาวอารกลุ่มที่มาขอฝนเนี่ยอาจจขอฝนพอขอขอขอขอขอผู้พวกแล้วให้เมฆดํามารวมทะมึนแบบรวมแบบหนาแน่นมากเลยให้เมฆมารวมตัวกันเยอะมากๆพวกอาร์พอดูปุ๊บโอ้ฝนหาใหญ่แน่ๆเลยรอบนี้นี่คือได้ฝนดีแน่ๆเลยโอ้รอบนี้ประสบ ตามที่ตั้งใจไว้ละแต่ความยโสเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วคือคนเราพอเดือดร้อนความยโสจะหายแต่พอเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเริ่มมีความหวังความยโสมันจะกลับมาโดยอัตโนมัติอันนี้คือคนยโสจะเป็นแบบนี้กันนะอุดรบิแลมิจาริกขอพวลเราคุมของพวกเร า, า, า, เราทีนี้เมคเนยครับก็ค่อยๆเคลือคอค่อนไปในทิศที่ชาวอารอยู่ก็คือไปที่เมืองออรม์ม พี่น้องที่รักท่านอนับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านได้เตือนไว้ครับเวลาที่เราเห็นเมฆฝนเวลาที่เห็นเมฆฝนเห็นเมฆตั้งเขาแบบทำมืดมืดมาเนี่ยมุสลิมมันต้องขอเดวาว่าไงครับอั um oh, Allah, ลลอฮุมะซิยิบันนาฟิอันโอ้พระลอป่วให้ฝนที่ลงมานี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์เพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่ลงมาจากฟากฟ้ า, าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาบางอย่างอาจจะเป็นการลงโทษจากพระองค์ บางอย่างอาจจะเป็นหายนะที่เกิดจากน้ำมือของเราเองอย่างน้ำฝนปัจจุบันครับไม่ใช่ว่ากินได้ทุกที่ถูกไหมครับชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยถูกทําลายเทียบกับมลพิษต่างๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างมากับมือเขาเองพอฝนตกมาปุ๊บ ก, ก็เอาสารปนเปื้อนลงมาด้วยบางทีถ้ากินน้าฝนแรกปุ๊บบางคนไม่สบายบางคนป่วยเจะมีแหมงเรื่องสุขภาพบางพื้นที่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถ้าเกิดว่ามีสารกัมมันตภาพบังสีเยอะๆถามว่าใครทําตัวเองทําทั้งนั้นแหละ ตัวเองทำทั้งนั้นครับทำล้วนเลยทีนี้กลุ่มชน อ, อาจะลืมดูอานะเอาล้อมาใสบา่บรนณาพิันเวลาเจอฝนปุ๊บโอ้ล้อไข่นี่เป็นฝนที่ดีอยากเป็นฝนที่พอล้อจะลงโทษพวกเรากลุ่มชนอาครับพอเห็นเมฆตั้งคขึ้นมาแบบว่าสบายแล้วเรามีฝนแล้วเราเราอยู่สบายแล้วพวกนี้ก็ไม่ขอบคุณครับได้รนะับความผาสุกก็ไม่ขอบคุณอันนี้ก็คุณลักษณะของผู้ที่ยโสพวกที่จองหองคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ย ดีแล้วก็แน่เหนือกว่าคนอื่นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มชนที่ถูกคัดเลือกซึ่งมีตั้งแต่อดีตแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยยันวันเกี่ยามาันนั่นแหละครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งพอเมฆคืมนีมาเนีครับผมมันกลับไม่ใช่เมฆที่นำมาซึ่งฝนแต่เป็นเมฆที่นำมาซึ่งพายุที่หมกระหน่ำที่รุนแรงยิ่ง ซึพายุที่มาเนี่ยครับได้ทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนซึ่งในอียาคุรอ่านเนี่ยพวกเราจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนกับตอของต้นอินทรพาลมคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พวกเขาประสบทั้งกลุ่มอาร์กลุ่มสมูทเนี่ยกลุ่มที่ภายหลังพวกเขาได้ประสบเนี่ยในสภาพศพของพวกเขานั้นเหมือนกับต้นอินทรพาลมที่แห้งตายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกทีอินชาอัลลอฮฺ ประเด็นก็คือความทรมานเนี่ยพวกราไม่ได้ให้จบในวันเดียวจ่พวกราใช้เวลา8วันอย่างที่บอกไว้ลมพายุ ก, กันหนำํำลมพายุ ก, กันนําทั้งๆ ท, ท, ที่ว่ามีโดมมีอะไรปกป้องคุ้มครองมีความแน่นหนาร่างกายกำยำพวกราลงโทษด้วยกับสิ่งเล็กน้อยพี่น้องลมอ่ะพี่น้องใครอย่าไปคิดถึงลมมันก็แค่ลมเห็มีอะไรเลยมันไม่ใช่ฟ้าผ่าไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่อะไร แต่เวลาที่พวกล้อลงโทษกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนโดยเฉพาะกลุ่มชนที่ดื้อดึงพวกล้อมักจะเลือกใช้รูปแบบที่พวกเขาเหล่านั้นดูถูกมากที่สุดอย่างจากักรพรรดินำรุธดูถูกคิดว่าลูกคนเนี่ยต่ำต้อยกิดตัวเองเป็นเหมือนสัตว์เป็นมแมลงต่ําต้อยพวกล้อลก็ลงโทษด้วยกับมแมลงให้มแมลงเนี่ยมาทําลายกลุ่มชนของฮูตของท่านอัอนบดุลฮุตอะลี ส, สัลตุซาลามกลุ่มชนอาดเนี่ย เขาคิดว่าตัวเองนั่นแน่มีปากกามีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมีความแข็งแกร่งลมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันจะมาทำอะไรฉันได้พวกเขาทำลายทั้งกลุ่มชนให้สูญพันไปเลยนอกจากท่านนาบีฮูษต์ซึ่งแน่นอนเขาพูดกับเราอย่างนี้ครั บ, ลรบแล้วเราได้ให้นบีฮุษ แล้วผู้ศรัทธาที่อยู่กับเขาก็เปผู้ศรัทธากับนาบีฮุดบ้างพวกเราก็ได้ให้ท่านนาบีฮุดกับผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านเนรอดมาด้วยความเมตตาจากเราเพราะกลุ่มผู้ที่รอดไม่ใช่รอดเพราะเมตตาทั้งหมดถูกไหมครับกลุ่มที่ อ, อพยพไปก่อนแล้วอ่ะที่ทะเลาะ ก, กันแล้วหนีไปก่อนเนี่ยอัลซานีอัล ท, ที่สองรอดไหมตอนเนี่ยรอดแต่รอดเพอราะล้อเมตตาไหมไม่ใช่ครับผมการพูดขอล้อร อ, ร อ, รอคอยพวกเขาอยู่ แต่ท่านรบี้พูดกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพราลรอกกล่าวไว้เลยว่าให้รอดด้วยความเมตตาจากประเด็นตรงเนี่ยพี่น้องแม่คิดครับผมเวลาที่เราเจออุบัติเหตุหรือเจอเหตุการณ์ร้ายแล้วเรารอดมาได้เราต้องขอบคุณอัมร้อนนะพี่น้องแล้วเราต้องขอดูอาจากพวกล็อกว่าขอให้การรอดของฉันนี้เป็นการรอดที่มาจากความเมตตาของพระองค์ไม่ใช่รอดเพื่อที่ฉันจะมาเจอสิ่งที่เลวร้ายกว่า เพราะบางทีพวกลอเชเราลรอดจากเรื่องเล็กๆเพื่อไปเจอเรื่องที่ใหญ่กว่าดูอาครับดูอาเป็นสิ่งที่สําคัญคิดถึงพวกลอให้มากซูบาร์กล่าวว่าครับวากอตเต้แ น, นดารบิลลอีนีก็ระบุส่วนผู้ที่ไปเสียต่อองค์การของเราเราก็ตัดขาดเขาเราก็ทําลายพวกเขาทําลายหลังพวกเขาซึ่งพวกเขานั้นไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวในหัวใจที่จะศรัทธาต่อพวกลอซุบฮานนะฮุวัตตาล่เพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุก คนที่จะต้องขอบคุณพวกลอสซุปฮาหนโนตราในความเมตตาที่โปร่งให้กับเขาอย่าสอบโต้ด้วยความดื้อดึงด้วยความปฏิเสธแล้วที่สําคัญครับอย่าดึงหายนะเข้าสู่ตัวเองคือไม่ใช่บอกฉันไม่เชื่อในเมื่อฉันไม่เชื่อเนี่ยถ้ามันจริงเนี่ยก็ให้ฉันพบความหายนหน้าเลยอย่าพูดประโยคนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามเราไม่ได้รู้จริงพวกลอสซุปฮาโนตราท่านที่รู้จริง เพรนั้นโยกตัวอย่างครับอีกเคสหนึ่งครับบางทีอาจจะมีการทะเลาะเบอแหวงกับคนที่รักกันอาจจะเป็นคู่ครองเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรก็าตามอย่าได้สาบานให้ตัวเองพบกับความหายยนะถึงแม้เราจะเชื่อมั่นในความถูกต้องของเราแค่ไหนก็ตามเพราะบางทีเรื่องอาจจะไม่เป็นแบบที่เราคิดบางทีอาจจะผิดทั้งสองฝ่ายบางทีอาจจะถูกทั้งสองฝ่ายหรือบางทีเป็นยัไงบางทีเราไม่รู้เพราะบางทีเราเข้าใจแค่ในมุมมองของเราแล้วอาจจะคิดว่าเราถูกทั้งๆที่จริงๆเราอาจจะผิดเพราะฉะนั้น อย่าได้สาบแช่งให้ตัวเองแล้วก็อย่าได้สาบแช่งคนอื่นแต่ให้ขอดูอาขอดูอายังไงก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการจะหาเรื่องใส่ตัวพี่น้องขอดูอาเลยอะตอนนี้เราทะเลาะกันใช่ไหมออกขอพวกรอให้เราได้ทางออกที่ถูกต้องจ้างออกที่ดีที่สุดใครที่ผิดขอพวกรอให้เราได้รู้ว่าใครที่เขาผิดแล้วขอให้ร้อยยกโทษให้กับเขาแล้วขอให้เรากลับมาคืนดีมารักกันได้นี่คือหนึ่งในรูปแบบดูอาที่เราต้องขอ อย่าได้หาเรื่องใส่ตัวเองด้วยวความโง่เขาของตัวเองอย่าไปบอกว่าเนี่ยฉันรับประกันเลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนถ้าไม่ใช่นะฉันขอเจออย่างงั้ น, ฉนเฉพาะอเจออย่างนี้อย่าครับพี่น้องเดือดร้อนมาหลายคนแล้วคนที่พูดแบบเนี้ยเดือดร้อนมาหลายคนมุสลิมเราต้องพยายามฉลาดนะครับอันนี้ย้ำจริงจริงมุสลิมเราต้องฉลาดครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นการดูอาที่เข้าตัว อย่าไปหาเรื่องกับความโกรธขี้วของผัวลอสซุปฮาเนหูวาตาแหละมันมันไม่ใช่เรื่องที่คุ้มมันไม่คุ้มอ่ะพี่น้องมันไม่คุ้มจริงๆอย่าเอาความโง่มาชักหานะเข้าสู่ตัวเองครับพี่วันทีครับสลามมานะครับวาริกุลสลามบอกตัวล้อวาบารอกแกตูนะครับผมแล้วก็มาชาวล้อครับอาจารย์คอริดนะครับบอกชัดเจนผมไม่ด้วยอะไรชัดชัดอ่ะนะครับสัญญาณหน้าผมหรือเสื้อผ้าหรืออะไรนะครับแต่ก็ขอบคุณครับที่มาชัดนะครับ เออพีมัตยามนะครับมาชาวร้อยนะครับผมอันนี้เข้าขายหน้ามาไหมเนี่ยชัดแล้วชัดอีกค่ะทําทำเลยนะขอบคุณพี่สาวครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชายเจรจาคุณนะค่ะคุณเฉริยสลามมาวัรกุสลามอับดุลลอฮ์บะบาลการตูครับคุณคอลี่ชัดกว่าครับอ้าวจะเกิดปัญหาในครอบครัวจะเกิดความร้าวฉานหรือเปล่านะครับมีชัดไม่ชัดเนี่ยนะครับผมขอละไมตตาพวกเราทุกคนครับผมบังอับดุลนะครับเราทำเลยแล้วบารักุลพี่กุมครับอ๋อพีมัตยามยังไม่จบนะครับอ๋อชัดที่สุด อ้าวอาจารย์คลิปบอกยอมแล้วครับอาลฮัมดุรีลาครับครอบครัวมีความสุขครับยอมสักคนนึ่งนะมันจะได้จบคุณอรกนแอาลฮัมดุรีลาแล้วก็คุณโดนฮาริสบันนบนะครับอาธรรมนีลาเจมีชัดเจนครับบาลกลลฮูฝีกลุ่มครับผมเซลท่านใดไปนะครับผิดพลาดอะไรไปก็ขอมาฟด้วยแล้วก็หวังว่าวันนี้ที่เราพูดคุยกันน่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับเราจะถูกเราจะผิดนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าหาเรื่องกับความโกรธกิวของพวกล้อเด็ดขาด ต่อให้เรามั่นใจว่าเราถูกแค่ไหนอย่าสาบแช่งตัวเองเด็ดขาดอันนี้เตือนด้วยความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะ่ะหลายครั้งเหลือเกินที่มั่นใจเกินไปแล้วมารู้ทีหลังว่าอะมันไม่ใช่แบบนั้นนี่นะมันมีความจริงที่อยู่หลังความจริงอีกทีหนึ่งก็ต้องระวังกันไปครับผมอายัดต่อมาครับเป็นชาวล้อเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อวันต่อไปนะครับผมวัสดุดีนะชาวบุกครบิลวะทัวรลอนหลังจากที่พูดถึงกลุ่มอาร ในรัมฎาตลิลิมาตที่เรไม่รกมเธอในบิลกลุ่มชนชาอารเนี่ยอัลล์ ใ, ใช่หมจองหองใช่ไหมพอลลบล้างแบบไม่เหลืออะไรเลยกลุ่มชนอากลุ่มที่2กลุ่มสมูครับผมลอดมาได้แทนที่จะลอดนะครับความช่วช้าก็ไม่ได้ต่างจากกลุ่มอากลุ่มแรกเลยบางทีอาจจะเลวร้ายกว่าด้วยซ้ครับซึ่งสมูเนี่ยอีะจะบุคอบิลวรด จอหุบเขาเป็นว่าเล่นทำเป็นที่อยู่อาศัยดูว่านวัตกรรมเขาขนาดไหนแล้วเขาได้รับความปวดปานอะไรบ้างแล้วจุดจบของพวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงพูดคุยกันในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันทั้งพี่น้องที่มาให้กำลังใจมาสร้างสีสันนะครับผมมาทักทายมาให้สลามนะครับผม ก็ขอโดจากพวลดสุภานุตาลาครับให้มาเลกาที่มาห้อมล้อมเราเนี่ยด้วยความรักเนี่ยมาขอไปโทษให้กับเราสิ่งต่างๆที่ขอไปโทษให้กับเราเนี่ยขอพวลดตอบรับดูอาดีๆของพวกท่านเหล่านั้นแล้วก็ขอโดจากพวลดสุภานุตราผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่มีวิจาในนอกจากพระองค์ขอโดยจากพระองค์ครับให้เราเห็นสิ่งที่ถูก ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกให้เราได้ปฏิบัติตามสิ่งนั้นแล้วก็ขอให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ขอให้เรานั้นสามารถออกห่างจากมันได้ขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของเราขอเป็นที่พักผ่อนของพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอให้เป็นบารากา ขอให้เป็นแนวทางในการกิะชีพของพวกเราขอผู้ลอสุบฮานอัตลานั้นให้เราได้มีโอกาสเป็นอาลุกุรอานเป็นชาวคุรอานที่ผู้ลอรักเขาแล้วเขาก็รักผู้ลอสุบฮานอัตาลาขอให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสล mm ิม hmm. ผู้ที่ยอมจำนนต่อพผู Anal ้ลออย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของมุหมินผู้ที่มีศรัทธาต่อผู้ลออย่างแท้จริงที่ผู้ลอรักเขาแล้วเขาก็รักพระองค์ความผิดบาปใดก็ตามของเรายะเอาละ ขอเปลี่ยนมันให้เป็นความดีงามหรืออย่างน้อยที่สุดโปรดยกโทษให้กับพวกเราในบาปผิดบาปต่างๆที่เราทำความดีงามที่เราทำยาลวละโปรดตอบรับขอให้มันอยู่ในตาช่างที่ดีงามแล้วก็ขออย่าให้เราต้องมีสภาพอยู่ต้องมีชีวิตในสภาพของผู้อัปยศไม่ว่าจะในดุนยาเลยในะอาเครอครับคุณ ก็แข็งนะครับเสนาวยุติสุามะวาลิขุมสุลามัลลอฮบะรกตุนะครับผมก็อกลกลฮะดลลอฮลิวลกุมวลิลิมุสลิมีนามินุละมัิอินูฟอินซุบฮานะะยฮัมดิัชฮดอัลาิลลลัันตะัสลิลกตุับสลามุลัยุมวะรหมตุลลอฮบะรกตุครับ